สีเลนโพคะสัมปทาสีเลนะนิผู้ติงันติมีใจความว่าด้วยศีลจะได้ไปสุคติจะเกิดโพคะสัมปทาคือความสมบูรณ์พรั่งพร้อมแห่งโภคะและจะถึงนิพพานสาระที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือตอนที่ว่าศีลทำให้เกิดทรัพย์สินเงินทองพรั่งพร้อมหรือพูดง่ายๆว่าทำให้เศรษฐกิจดี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 คนงานกับนายจ้างมีความสัมพันธ์กันดีมีน้ำใจซื่อตรงเกื้อนหนุนกันระบบราชการงานเมืองสุจริตมีประสิทธิภาพบรรดากิจการนาน า, นาประเภทน่าเชื่อถือไว้ใจได้ทั้งคนใกล้คนไกลคนในถิ่นนอกถิ่นนอกประเทศติดต่อสื่อสารคมนาคมไปมาราบรื่นร่าเริงการผลิตการพาณิชย์คล่องตัวนี่คือ อย่างง่ายๆที่ศีลสร้างฐานทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมเป็นความพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความรุ่งเรืองเฟื่อง ฟ, งฟูเมื่อบ้านเมืองมั่นคงดีประชาชนมีความมั่นใจสูงทีนี้ก็มาถึงตัวคนว่าอย่างรวบรัดด้านลบที่ขาดศีลเช่นเสเพลลักขโมยขี้ฉกขี้ช่อขี้โกงขี้เกียจขี้เมาสียหายอย่างไรขอข้ามไปไม่ต้องพูดถึง ูดแต่ในแง่มีศีลชาวบ้านที่ทำมาหาเลี้ยงชีพเมื่อตกลงใจว่าจะอยู่ในศีลท่านแน่ใจตัวเองแล้วว่าจะตั้งใจทำมาหากินในทางสุจริตพอใจมุ่งดิ่งไปอย่างนี้ความคิดที่จะหาช่องได้น่นได้นี่รอหาช่องทํานั่นทํานี่ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือจะคิดการทุจริตอะไรก็ไม่มีแม้แต่รายการได้ของเผลอลาบลอยก็ไม่นึกถึง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 มีอะไรจะติดขัดตรงไหนที่ไหนจะแก้ปัญหาอย่างไรจะติดต่อทําทางเปิดทางของงานอย่างไรควรคบหาใครปรึกษาใครร่วมมือร่วมงานกับใครอย่างไรอย่างนี้ก็คือศีลส่งผลต่อมาที่จิตด้านสมาธิกับปัญญามารับช่วงต่อเดี๋ยวอิธิบาทสีก็ทยอยมากันครบมีหวังสําเร็จแน่ขอให้จับตรงนี้ให้ชัดว่า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 อุตถาตากั ม, มทยเยสุอัปปะมัตโตวิธานวาแปลว่าขยันในการงานไม่ประมาทฉลาดจัดการขมวดให้จำ ง, ง่ายว่าขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการความจากพุทธพจน์นี้ควรถือเป็นหลักการทำงานเลยทีเดียวแน่นอนว่าในเรื่องงานก็ต้องเริ่มด้วยขยันตัวสับคืออุานาะ แปลว่าตัวคนลุกขึ้นไม่มัวนั่งนอนอยู่ก็ได้เงินทองเพิ่มขึ้นหรือมีความเจริญขึ้นก็ได้เมื่อขยันมันเพียรกิจตุระการงานจึงจะเดินหน้าก้าวไปแล้วจึงจะเสร็จและถึงความสำเร็จได้ความขยันมันเพียร น, นี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นไม่เพียงเป็นองค์ของความสำเร็จแต่เป็นข้อระลึกอ้างอิงสาหรับความภาคภูมิใจและความสุขในชีวิตแห่งการงานด้วย ดังที่ทรงย้ำเป็นประจำในคําสอนสําหรับก็เรือหัดว่ามีโพคะซึ่งหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกําลังแขนอย่างอาบเงือต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบทมได้มาโดยทำนอกจากนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียร น, นี้คนก็จะได้พัฒนาตัวพัฒนาชีวิตเพราะการก้าวไปในงานนั้นเป็นตั้งการพัฒนาตนและเป็นเงื่อนไข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 ได้แก่ตื่นตัวทันเหตุการณ์มีเรื่องผ่านจับจุดได้มีเรื่องร้ายไม่หวั่นไหวไม่รีรอเมื่อได้ที่มิให้มีช่องโหว่ทิ้งไว้มีอะไรจะต้องรับมือหรือป้องกันก็เตรียมให้พร้อมถึงเวลาถึงจังหวะหรือเกินโอกาสก็ไม่พลาดไม่ละเลยถือหลักว่าเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทาเฉพาะหน้า พูดสันส้นๆว่าความไม่ประมาทช่วยให้เพียรครบรสถานคือทั้งเพียรปิดช่องป้องกันความเสื่อมเสียหายเพียรแก้ไขปัญหากำจัดเรื่องร้ายพยันตรายเพียรสร้างสรรทำการดีงามให้สําเร็จและเพียรอนุรักษ์เช่นรักษาคุณภาพดำรงเกียรติคุณและปรับปรุงส่งเสริมให้เจริญยิ่งพินโยจนกว่าจะสมบูรณ์ไภบูรณ์หลักที่สาม คือฉลาดจัดการก็สำคัญยิ่งเป็นเรื่องของปัญญาทำให้ใช้ความขยันถูกเรื่องถูกที่เป็นต้นและให้ความไม่ประมาทออกผลจริงในที่นี้เพื่อให้สั้นที่สุดก็ว่าต้องจัดการด้วยปัญญาซึ่งรู้หลักเฉพาะอย่างยิ่งสัพปุริสธรรมเจ็ซึ่งมีหัวข้อว่ารู้หลักรู้จักเหตุรู้ความมุ่งหมายรู้จักผลรู้ตนรู้ประมาณ รู้การรู้บุคคลรู้กลุ่มชนชุมชนถิ่นสังคมเช่นรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานรู้ความต้องการของกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแบบนั้นเป็นต้นความฉลาดจัดการหรือความรู้จักจัดการนี้เป็นธรรมที่ส่งเน้นหรือตรัสบ่อยทั้งสำหรับประสงค์ซึ่งใช้ศัพท์ว่าอลังสังวิทาตุงแปลว่าสามารถจัดการ และแน่นอนว่าย้ำพิเศษสําหรับครือขัดที่รับผิดชอบหมู่ชนหรือกิจการต่างๆเช่นทรงเล่าถึงหลักธรรมสําหรับผู้รับผิดชอบครอบครองบ้านเรือนว่าผู้ครองเรือนควรเป็นคนเผื่อแผ่แบ่งปันรู้จักจัดการสําหรับผู้จะรับราชการก็ตรัสเล่าเรื่องที่แสดงหลักธรรมไว้มากรวมทั้งที่ว่าผู้มีวิจารณปัญญาพร้อมด้วยพุท ธ, ธิปัญญา ฉลาดในวิธีจัดการรู้จักการรู้จักสมัยจึงควรสนองราชกิจคนที่ขยันในกิจการไม่ประมาทมีปัญญาสอดส่องจัดการงานได้ดีจึงควรสนองราชกิจรวมความว่าศีลครอบคลุมถึงธรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลายพูดในยะหนึ่งว่าศีลเป็นเรื่องของการจัดการชีวิต ให้มีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อก้าวไปในการพัฒนาจิตปัญญาได้เต็มที่